โดยไม่ต้องถอดชานอย่างนี้มีประโยชน์ทั้งตัวเราทั้งบุคคลผู้รับฟัง น, นี้เวลาปฏิบัติ้ผลก า, การปฏิบัติเนี่ยกำลังย่อมไม่เสมอกันทั้งนี้เพรายเพราะบารมีที่สร้างมาในกายก่อนต่างกันแต่ไปน่ไปได้แน่คนที่จะหลาดมากเกินไปคือคื อ, คอดรอกเตอร์ปัญญา วันนี้เรียกดรนะให้เกียรตินะ <dick> ตามตามดารกไอ้ด็อกโตเดียวมันสามารถสอนฝรั่งไปเจงกำลังได้มันเองผูกผกๆูกโครโกกนั่งตรงเนี้ยมองมาดูที่ไหนได้มันแดงมั่งขาวมั่งขามั่งแดงมั่งจิตแล้วนี้พอดีสมเด็จพระเาพังกรท่านมา สมเดพระติทรังกรณ์นี่เป็นพระที่มีกําลังลาบทุ้งแรงแคล้ายๆกับอะไรละ่ะไอรถ ด, ดับเบิลาบนะถ้าพุทธพุทธกษัตริย์ศพกำลังมาเป็นกลุ่มใหญ่แต่ออกแต่เบาแต่มาอ่อนอ น, นี่แรงท่านมาแล้วท่านอาชีบอกดูไอตอกสิแมมมันแดงมั่งขาวมั่งเขาวมั่งแดงมั่งให้แดงนาปีติ ขเขาได้เป่าย์มใส่ไม่ยัเคลื่อนจึงเลยแนะนำว่าทุกคนถ้ากลับไปบ้านถ้าไม่มีแก้วให้นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นปกติเสนพระพเจ้าใส่เป็นปกติถ้ามีแก้วที่เขาแจกที่วัดนี่ก็ดีหรือว่าจะไปซื้อแก้วลูกใหญ่ๆใสๆที่ไหนก็ได้ ถ้านนั่งเวลาจะมองมั่งกันนั่งดูภาวนาบ้างไหมภาวนาบ้าง ไ, ไปจําภาพแก้วเผลอไว้บ้างไหมเผลอบ้างตัวนี้แหละจะได้เร็วแล้วก็แจ่มใสทำไปปกติทุกคนนะอย่าไปทํำเฉพาะอย่างวันนี้มันยังไม่ถึงเวลาฉันไม่ทําอยากจะถามว่าเวลาตายน่้มันเป็นเวลาไหนอเวลาไหนรู้ไหมรู้ไหม ตเตอร์เวลาหมดลมหายใจเออถูกแล้วแจะหมดเวลาไหน <c oughs> ไอ่ะโคตรแม่มาตอบไมได้ต้องใช้ปัญญาอย่างเปรศการีเปรศการีเนะี่ยเธอเป็นลูกกมพระแม่ตายไม่ใช่ม่มีแม่มีแต่พ่อพ่อออกลูกไม่ได้้วศีก็ไม่ได้ดีอย่างเรา เกิดมาอายุสี่หกปีเห็นพระครั้งหนึ่งมาสิเก้าปีจีเห็นพระอีกครั้งหนึ่งเห็น <c oughs> เ็นขี่มากนะ <c oughs> แค่นี้นี่ะเธอเจอพระครั้งเดียวพระคือพระพุทธเจา้าทรงสอนว่าเธอทั้งหลายชีวิตเป็นของไม่เที่ยงเกิดความตายเป็นของเที่ยง พกคนยุงงยากไว้ใจในชีวิตให้สร้างความดีและความชั่วเพียงแค่นี้เทก็จำจำนั้นก็ทำมาตลอดเวลาสามปีอีกสามปี พ, พระพุทธเจ้าตรวจิสัยเขาสัตว์เจอหน้าเธออีกครั้งหนึ่งก็ทรงสงสัยว่าเอ๊ะเด็กคนนี้มาสามปีพบมาแล้วครั้งหนึ่งจะมีอะไรเกิดขึ้นไหม ก็ทรงทราบว่าวันนี้ตอนสายเธอจะต้องตายก็ทรงพิจารณาดูว่าถ้าเธอตายคราวนี้จะมีคติแน่นอนหรือไม่แน่นอนคำว่าแน่นอนนี่ต้องเป็นประสู ด, ดาบันถ่ายังไม่เป็นประสู ด, ดาบันมีคติไม่แน่นอนคติแปลเป็นที่ไป ถ้าประสดาบันไปทางเดียวคือไปสวรรค์ไปพงแล้วก็ไปนิพพานเลยไม่มีการย้อนกลับถ้าไม่แน่นอนจะไปสวรรค์ก็ได้จะไปพงก็ได้นิพ่านยังไม่ไปหรือว่าจะไปเปสัตว์ลกหรืเปรสุรกายสติใช้ก็ได้นี่เดียวไม่แน่นอน <c oughs> ก็ทรงทราบว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอมีสติไม่แน่นอน ก็ทรงพิจารณาว่าถ้าเราจะช่วยเธอเราจะช่วยยังไงก็ทราบว่าถ้าเราไปถามปัญหาเธอสี่ข้อเธอตอบเรารับรองแต่ละข้อพอครบสี่ข้อเธอจะเป็นพระสดาบันหลังจากนั้นตายแล้วจะเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นุดสิก็จึงได้ทรงเสด็จไปเมื่อไปถึงแล้วพบกันแล้วขอเล่าลับ ท่านถามว่าพัคกินิดูก่อนน้องหญิงเธอมาจากไหนเวสการีเทก็ตอบว่าไม่ทราบพี่เจ้าค่ะท่านถามว่าแล้วเธอจะไปไหนเทก็ตอบว่าไม่ทราบพี่เจ้าค่ะท่านถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอก็ตอบว่าทราบพี่เจ้าค่ะท่านถามว่าเธอทราบหรือเธอตอบไปทราบพี่เจ้าค่ะ โปรเตอร์ในหน้าฟันจะร่วงนะคัณปากเปิดคุณจะขีดก็ด้วยนะเห็นไหมเป็นการล้อเลียนหลวงพ่อเจ้าภาคคนเลวคุณคิดอย่างนั้นนะแต่ว่าเปรสการีเธอเป็นคนมีบารมีมีปัญญาเมื่อเจ้าย้อนถามใหม่ว่าน้องหญิงการที่สถาโคตถามว่าเธอจะมาจากไหนเธอตอบไม่ทราบเธงหมายความไม่อย่างไร เธอก็ตอบว่าการที่หม่อมฉันมาจากบ้านพระองค์ทราบด้วยอำ น, น, นาจพระพุทธญาณแล้วแต่ที่ถามว่าเนี่หมายความอย่างไรถามว่าก่อนเกิดมาจากไหนหม่อมฉันไม่ทราบพิสูกันท่านถามว่าแล้วถามว่าเธอจะไปไหนเธอตอบว่าไม่ทราบแต่หมายความอย่างไงเธอก็ตอบว่าการที่หม่อมฉันมาที่นี่แล้วต่อไปจะไปลงทอหุกที่พ่อทอหุกอยู่พระวงค์ก็ในพระองทราบแล้ว แล้ว่าคำถามหมายที่ว่าตายแล้วจะไปไหนนี่หม่อมฉันไม่ทราบที่หลวงคงถามว่าป้าถายค้ดถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอทราบเธอหมายความยังไงเธอตอบว่าการที่ทราบเพราะจำคำสอนของพระองค์ได้มาสามปีที่แล้วมาว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงจงอย่าประมาทแต่ชีวิตคิดสร้างแต่ความดีเพราะความตายมีเวลาไม่แน่นอนเึราบ องถามว่าพตาตาคดถามเธอทราบเธอแล้วก็เธอตอกว่าไม่ทราบหลายความอย่างไงเธอตอบไม่ทราบว่าชีวิตที่จะตายเวลาไหนเช้าสายบ่ายเที่ยงเนี่ยกลางคืงนกลางวันไม่เลยทราบองทรงรับรองคำตอบของอถูกต้องเธอก็เป็นโสดาบันเรื่องนี้ฉันพูดมาเกือบร้อยครั้งให้ด็อกเตอร์มันเป็นโสดากี่ครั้งแล้วกันเนี่ย เป็นบ่อยๆแล้ก็หายโซยาเนยชักเบื่อแล้วเป็ น, ปนแล้วกูเป็นโซดาดีกว่า <c oughs> กระโดงความว่าการปฏิบัติเขาญาติโยมถ้าใครคิดว่าเราจะใช้เฉพาะเวลานั้นเวลานี้นั่นคือเป็นคนที่มีความประมาทมากยังเอาดีไม่ได้ ต้องใช้ทุกๆุกเวลาให้เป็นประโยชน์ทำงานอยู่ก็ยังคิดว่าไองานที่เราทําเนี่ยไอคนที่ก็ตายตายไปแล้วก็าทำตั้งแต่เริ่มทํางานได้ทั้งตายงานมันก็ไม่หมดเราคืนคิดว่าเราจะอยู่ต่อไปเกิดมนุษย์อีกก็ต้องมาทําอย่างนี้มีแต่ความทุกข์แต่เราก็ต้องทำทำให้อยู่เพื่อความป็นอยู่เป็นสุขตายแล้วเราก็ต้องเลิกกันตอนนี้วิธีปฏิบัติ เมื่อกี้ท่านบอกวิธีปฏิบัติให้เต็มกาลังก็มีอยู่สองอย่างคาว่าเต็มกำลังในจะไปรอจิตพุ่งขึ้นนะต้องถ้าคนนี้ปฏิบัติได้เก่ามาแล้วนะควรใช้กำลังเดินแต่ว่าเพิ่มใยการทรงสมาธิให้ดีขึ้นนั่นคือใช้แก้วที่เคยบูชาไปแล้วนั่งดูเวลาดูแก้วเวลายามว่าง ภาวนาวันมะพัทะไปด้วยก็ได้ไม่ภาว น, นาก็ได้คนงานหนักๆเข้ามาเนยเหนื่อยเนี่ยก็ไม่ต้องดูแก้วแล้วก็หลับตาไม่ตึงแก้วลืมตาไม่ตึงแก้วแล้วก็ละลืมตาดูแก้วหลับตาไม่ตึงแก้วหลับตาจากไปก็ลืมดูนลางานก็ทํางานไปนานมาเข้าอจิตมันชินจิตเนี่ยึงแก้วมาเลยก็แก้วใสดี เวลาทํางานอยู่นึกถึงแก้วก็มาเวลาทั้งทัมือทํางานจิตนึกถึงแก้วเส็นชัดใสดีอย่างนี้ก็ได้หรือว่าแก้วพิวัติไม่มีมไฟเราหาทีลูกแก้าใหญ่ใหญ่ใสใสใสแก้าใหญ่ใหญ่ ใ, ญใสนี้ต้องแต่พายไปด้วยนะแล้วบ้างบ้างแล้วก็นั่งดู นั่งดูลืมตามาจำภาพได้สนับตานึกมานมามะพรุทธะก็กดูแก้วหรือบางครั้งก็ไปภาวณาก็กดูจำภาพแก้วอย่างนี้ก็ได้หรือไม่อย่างนั้นคนที่เคยได้มาก่อนให้นึกถึงภาพพระพุทธเจ้าไว้เสมอเห็นภาพพระเจ้าใส่เสมออย่างนี้เห็นนั้นทุกๆวันภาพจะจาายังใสขึ้นตามลำดับ หนักนนักเข้าก็จะเป็นปิรีธาคเนมิตแทนนี้เห็นเป็นแก้วเฉยๆแก้วก็จะเป็นประกายขึ้นมาเห็นแก้วสายมากเท่าไราสายมากเทา่าไรจิตสะอาดมากเท่านั้นแล้วบางทีดูๆเพินๆไปพุทธพัดไปอย่าดึงกลับไปเลยมันเป็นกาลังถ้าขึ้นไปนแล้วเห็นสวาน่างเจ้าเมื่อไรนะั่นคือเป็นกําลังนี่เท่านี้เองนะ แล้วการปฏิบัติอย่างนี้ถ้าได้เต็มกำลังแล้วคิดว่าโยนอย่าคิดว่าเราทำจบแล้วดีแล้วนะต้องทำไว้เสมอให้ท่าชองถึงว่าท่ามชองดีแล้วก็ยังไม่จบถ้าคำว่าจบต้องเป็นพระอาหารหันต์มีคนเคยไปพูดไปปฏิบัติว่าท่าทรงไม่กี่วันก็สำเร็จนั่นแหละลงงอาวีทีลนะ สำเร็จเอาเวจีมหันโรคความระหมายเกิดขึ้นแล้วพญาโยมชอบยิ้มแต่กูจบตัวเดียวก็พออีนี่มันประมาทไรไ ง, งมันลงแน่ใช่ไหมการปฏิบัติต่อไปเบื้องหน้าและคำปฏิบัติพร้อมๆกันไปแม่งก็คืนหนึ่งเคารพพระพุทธเจ้าเคารพพระธรรมเคารพพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจ สองครวัตทรงสินห้าให้บริสุทธิ์สามจิตต้องการธนิพน์เป็นที่ไปที่เดียวถ้าจิตทรงตัวได้อย่างนี้ทานทุกอย่างที่ได้ไม่มีคำว่าเสื่อมก็คมแค่จูดหมาเท่านี้กลับไปบ้านทำไมั้งเมื่อถึงบัวก็สสืเอาสินไม่ทิ้งเลยนอกบ้าน ออกไปจากวัดเจริญหล่นเป็นแถวเมืองที่เดินไปเจอสิงเกลื่อนหมดเม่ท่านออกนอกวัดจะออกจากสลาเลยสิงหล่นจากสลาเป็นแถววอนนี้จะให้แทนไปส <laughs> กเ <laughs> มื่อกี้ตัวร้ายมาเลยที่กลังคุยเรื่นตัววัดนะวันนี้บอกขอคุมเองเองไม่เลือกเลย เป็นังคุยกับเรล่อแถมไม่ไสองไม่รู้ว่าเลยว่าไอหนี้ว่าอะไรมันห้าแล้วมันเจ็ดกันแน่คุยใสินแล้วก็คุยไปด้วยอะ <laughs> ไอมันน <laughs> ึวกว่าอาปาไปปาไ ป, าไปแล้วก็ดีมันก็เด็๋วมันจะเคลื่อนเอนุ่มลูกสวยเคียงคล้องมีบอลตัวที่หนึ่งที่เดียวไงตัดที่บอลตัวที่หนึ่งไป <laughs> <laughs> ทุกคนจาไว้ น, นะใครมีแก้วใช้แก้เื่อประโยชน์นะ แก้วที่ให้ไปมีทั้มีคุณสมบัติถ้ามีความเคารพดีโครงการตรายก็ได้ช่วยคุณธรรมได้สมาธิพิภพนายนาก็ดีได้ทุกอย่างใหโชคดีมีโชคลุยใช่ทีหลังไอ้ว่าถ้าสูงไม่มาดีกว่ า, าเพาเสียตังค์ใหนหนูใความจริงที่มาทำ น, นี่นะไม่ต้องเอาไาตังค์กันมาก็ได้ไม่เป็นไรมาปฏิบัตินนะ บ้านใบมัน เ, เข้าเข้ามาเราคือให้เขาใหมันคืนแสดงให้โชคดีมีสุดเออเจนสุดคุณรับรับรับไหนไปนะเออมันแสงแหนก็อ้วนไปได้ไม่ลูกวันนี้นี่แรงใหญ่แ่งใหญ่ กำลังใหญ่เป็นไงหนงไหวไหมให้กำลังดึอันนั่นแหละจไว้ท่านท่านรู้ถูกใช้วิธีนี้นะเองก็นั่งนิง่หน้ากรงนั่งดูแสงไฟที่ดูกออเอาไว้ฟ้าใสใสท่ส้น ด, ดวงสิไปตั้งในขนาระเราดูจะก็ดูใสนั่นนะใช่แทงแก้วดีกว่านะ ถ้าพวกอะไรไอเชิงเทียน่ะแต่ว่าจะใช้หลอดเทียนหลอดเทียนมันใช่ไหมไอหลอดเทียนประเภทประเภที่ห้าแรมันมีสั้นๆไอนั่นแบสายดีนะนอ่นั่นี่ห้าไอใส่เทียนเช่นเชเชนี้ยไปดูกันพอเป็นกระจุดสั้เนี่ยแบบยี่ห้าแรมาใส่โดนันใช่ได้ท่านแบบดีก็ดูแก้วออย่างนั้นดีก็ดูแจใสมาก อย่างดูเล่กระโก้เรื่อยๆมันจะชินหลังนึกเคยเห็นแสงไฟเห็นแสงไฟใครทำเพชรหล่นมีเยอะของไหมไม่มีเยอะของตกเป็นของหลวงแนววิทยาลัษณ์กรมพรดูต้นไม้มีใครมีสามีไหมมีพ่อมีแม่ไหมไม่มี ไม่มีตกเป็นของหลวงหลวงก็ไปเป็นเมียพยแเรียนแ่งเราวยเต็มทีมันเป็มียพระเจ้านดินช่วยมป็นไอโจนลอดละกอดรเดีสมมไม่ใช่เมียโจนเมียไอคนโง่ไม่เอาไม่เอาอาจารย์ให้มีความกระตันยูดีแต่เรียนไม่ดีเป็นเมืองตกศิลา แต่บุญมันไม่เท่ากันไอเมียนอนบนเตียงมันก็นอนข้างล่างเมียลงบนนองข้างล่างมันก็ขึ้นบนเตียงมันร้อนเดินมาด้วยกันมันทำไงจะหนีเมียได้เพรก็เลยให้เมียขึ้นไปสหาลูกถุงพอไอลูกเป็ดอร่อยมาเดือดฟังขึ้นไปแล้วมันก็วิ่งหนีเลยยังวันนั้นมันรีไปไหนคนดีพระเจ้าวิเทราชไปมาฮอดมาฮอดมาฮอดดิดดีที่สุด ก็คือคุณจยังยังไม่งอโมดิดติดสดๆนครับถามวาสดถามมันไข่แกก็แก็ผู้โสถึงไหมไปสู่ที่ยังดีแน่พอไปสู่ไมดีแน่มียของไหมไปถามคุณทําไม่มีหัวมีไหมไม่มีหัวมีไปแล้วไอ้หัวก็ไม่เห็นัวเออทางนั้นมันมียของตกของหลวง <laughs> หลวงแน่เหมือนกันนะแต่ต<ร>ความสามในตาปได้คอเยอะใครมีสา ม, มีบ้างใครไม่มีสา ม, มีเป็นของหลวงเลยเป็ของลวกตาไม่เป็นเรื่องเลยจะลวงตีเยอะ <laughs> <laughs> อย่าลืมนะการฝึกไปแล้วอย่าประมาทในชีวิตไอ้ที่ก็บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยต้องกรรมอันนี้คุยก็เมื่อกี้ในใช้ไม่ได้นะไม่ว่าไปในสมาคมไหนอย่าทำแบบนั้นนะมันเลวเข้าในที่กลุ่มคนใช้เสียงดังอ่ะต้องเสี่ยงใจชาวบ้านเขาใครก็ควกันบางจะได้ได้เรื่องในเรา เมื่อใครไม่คุยกันเขาก็เกลียดเราอันนี้เป็นลัที่ที่ใช้ไม่ได้จำไว้นะไม่ใช่จะธรรมะกันโลกเขาก็เกลียดเอาหนูมาไงได้เข่าเขาอีไหมละ่ะจะเป็นับแรกอย่าลืมคุณพระรัตนตรยัยการเคารพพระพุทธเจ้าพราะทรรมพระอริยสงฆ์นี้ให้มันจริงๆ ย่ยหลอกพระหลอกพระพระจะพระจะกันหลอกเอาการหลอกพระหมายว่าศักดิ่ทว่าทำฟังเคารพไม่มีความจริงใจประโยชน์ที่จะคุได้กับเราก็คืออบายภูมิแล้วก็ริการที่สองเราต้องการความสุขอันดับตำ่ำ ก็คือต้องทรงศิลหาให้บริสุทธิ์ถ้าระบบข้อในศิลหาข้อใดข้อหนึ่งจงจำ ร, รลยว่าเรามีหวังลงนรกแน่ไอ้นี่ไม่ได้รู่ไม่ได้หลอกความจริงวันนี้ฉันเองเห้นก็เดินไปคือไหวลงมาแต่เขาต้องมาคองมานะลูกก็ษณ ฉันไม่รับแขกวไหละวันแล้วแขกทั้งแขกทั้งจี่ท่างไทยไม่รับกัน่แ้งนันะ่นแะเพราะมันไม่ไหววานี่ปานนี้ยังสมอยู่เลยเมื่อคืนนี้พอดีมาวานี้รุ่งปู่ท่ายาไปโกเไยให้พ้อพอดีเบา <c oughs> แต่ว่างานนี้ฉันไม่ทิ้งก็คืองานกรรมฐานการยะไรพวกกรรมฐานเราเย็ยนหลอกตัวเอง ถายิงหลอกตัวเองเพียงใดเรายึดลงนรกลึกมากอยางนั้นเพราว่าท่านลงตัวน้วนจะทำความดีเจ้าแน่แท้จริงๆเราไม่ได้ดีการไปเที่ยวสวรรค์ได้ไปเที่ยวสวรค์โลกได้เป็นของดีสำหรับเรา <c oughs> แต่ว่าจะลืมว่าขณะที่เราไปเที่ยวสวรรค์ที่นรกไปที่นิพพานเวลานั้นจิตเราสะอาด เวลานั้นเราเคารพในศิลปเวลานั้นเรารเคารพในพระไตรสนาคมไม่ น, นีใครเคารพกันที่เสียงเขามีเทศต์ล่างไม่รู้ดึนไปเราเคารพท่านเลยทรเคระเราถ้าเราเลิกแล้วเราก็ไม่เคารพในศิลป์ไม่ไม่ไม่เคารพล้วก็ไตรสนาคมความดีส่วนนั้นก็ขาดไปจากเรามันก็เหลือแต่ความเลว เราก็เทียบตัวเราเองว่าวันหนึ่งเราดีมากเท่าไรเราเร็ว่าเท่าไรถ้าเร็วมากกว่าดีก็จงจําไว้เวลาใกล้ตายไปเออนึกถึงความดี <_ d iam ing> ก็รับถึงความดีแค่โชกข่วาวหมดผลความดีก็คงหลาวลงนรกไปการเกิดเป็นคนต้องกลับเป็นลงนรกก็ต้องถือ ว, ว่าเรวเร็วมากเกินไป เป็นมนุษย์นี่ไม่ไม้น่าจะ ก, กลับลงมาวายภูมเอาไยคูมีสี่คือนรกเปรตเปรตอสุรกายสัตวิริษฐานมันควรจะก้าวหน้าไปอย่างน้อยก็สวรรค์อยากสวรรค์ไม่ควรกลับมาหยุดนอนมนุษย์อีกควรย่างเร็วไปเป็นลมและก็ตอบพนิพพานเลยนี่คือพระนิารสมควร <c oughs> การทําความดีไม่ถึงทำยาก ทำความชั่วมันยากกว่าความดีนง ไ, ไงก็คือจะไดกินปลาจะต้องไปซื้อเบ็ดไปหาเหยื่อไปหาขันเบ็ดไปหาที่ตกปลาไปนั่งทรมานใช่ไหมแล้วก็พอได้ปลามาแล้วไปไหนลอมนรกถ้าเราจะไปสวรรค์ไปไปพรมนิพพานแล้วก็นอนในมุ้ง แค่นึกถึงพระพุทธเจ้าด้ยวยความเคารพด้ยวยความจริงใจเราก็ไปสวรรค์ได้ถ้าอออจาจมุ่งทำลายศีล้วก็เดินทางไะเป็นรกต่อไปก็ศีลห้าเยมันเป็นของยากนะักคือที่เาจะปฏิบัติพุกคนถ้าใครว่าเราเลวเราเกลียดแต่การละเมิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งนี่มันเลว เราทำความเลวอยู่จะให้เขาโยงว่าเราเป็นคนดีมันใช้ได้ไหมมันก็ดีไม่ได้เราต้องการดีเราต้องทำตนเป็นคนดีเจะบอกว่ามีความจำเป็นไอ้สิ่งที่มันไม่จะเป็นมันมีผนเสียไปอาชีพมันจำเป็นนะหรือว่าต้องไปฆ่าสัตว์กิญยาพิษกินมีมมช้ต้องไปขโมยเขาต้องไปไปชูหัวเขามีเขา ต้องโกหกหมดเทศต้องกินสุรายาเมาถ้ามันรวยได้ห้าอย่างเนี่ยรวยไหมรวยอเวจีได้แน่เป็นมหามนรกมหาเศรฐีแล้วนี่ก็ต้องจำไว้ว่าอะไรมันเลวอะไรมันดีและก็เวลาตายไปแล้วจะไปนั่งหวังว่าใครเขาช่วยนะมันไม่มีโอกาส การหวังให้ญาติอุทิศสุงอุศน์จะไปนึกว่าเราจะมีผลญาติที่ทาบุญให้เราเขาทําบุญส่งให้เราแล้วก็ทําบาสปส่งมาให้เราเวลาเขาจะเริ่มทําบุญเขาเริ่มฆ่าสัตว์เริ่มเรียงเหล้าเลยเขาสร้างบาปนั้นไม่มีบุญในวันนั้นงานนั้นทั้งงานไม่มีบุญอันที่ส่งส่งมาให้เราถ้าเรารับกนหนักกว่าเดิมทีก็คงไม่งงเหมือนกันใช่หไหมนะ่ะ ลงความว่อเยาว์หวังพึ่งคนอื่นต้องตามพพุทธบาลสิที่พระเจ้าทรงตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตมนายย่อมเป็นที่พึ่งของตนโอหินาโถโบโรูียาผู้คนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้อัตตาหิสุทันเตนะถ้าเราฝึกฝนตรมดีแล้วใสมาถังเราปฏิทินเรัง ล้าจะได้ที่พิ่งที่บุคคลอื่นได้โดยยากนั่นก็คือการสึดผลตนเองช่วยตัวเองแล้วก็ถ้าบางคนจะสงสัยว่าบาปจะมาทำมามากแล้วจะคุมตัวไหมแล้วก็จงอย่าลืมว่าพระอรหันตุกองค์ที่ปฏิทันท่านยืงมีบาปเหลือข้างหลังอยู่หลายเกวียนไม่ใช่ติกนะ อย่างองคุรมานิคไหลไหลตันตันมิกาตักโจนี่ไหลาหมื่นตันแต่ทำไมแท่นจงไปนี่ผ่านได้ก็คือว่ากำลังความจิตความดีขึ้นมาสู้กับความชั่วห้อยหลังไปความชั่วมันมากมากกดทั่งมันตอบนี้ไปกูทำแต่ความดีเห็นไหมล่ะ ็นเมื่อจิตตั้งไว้บบเพงเฉพาะความดีที่พระเจ้าทรงตัดก็ขึ้นเที่ยวความชั่วที่ผ่านมาแล้วอย่าตามนึกถึงมันอนะไรคิดว่าเราเคยฆ่าสัตว์เราเคยลักทรัพย์เคยพฤติการเคยโกหกเคยดื่มสุราไม่ไรเป็นนั่งจำมันไว้ไอไตัวนี้แหละไอห้าตัวได้ยิ่งไปกว่านี้มากกว่า น, นี้ก็ตาม เราทำบุญมากาอะไรก็ตามทีเวลาจะตายมันจะแทรกฟุ้กเขา้ามาแันทีมันจะดึงองา ร, ร, าอรามณ์ ถ้านึกมั่นคงในพระเจ้าองค์เดียวใช้ได้เลยคนที่มั่นคงในพระเจ้าฉันจะสังเจ็ดไม่ยากเมื่อเวลามีความมั่นคงพระเจ้าแล้วก็มีความมั่นคงในพระธรรมและพระสงเหมือนไรคนที่มันจะมาวัดท่าสูงมันเดินทางมาันจะาไหนจากกรุงเทพบางจากท่าลานบ้างจากลานท่าบังขึ้นไงวะเน่ยที่ไหนก็ตามถ้ามันเดินมา มันตั้งใจจะามาวัดธาสูงกันก็บางเอออาหารหมดหมดแรงพักตามทางหากินไปนุกจ้างเข บ, บ้างเจ็บบ้างเจ็บนั่นมันกินบ้างพอมีแรงมันก็เดินทางต่อกลับมาไม่ทันถึงโลกลุรีมันก็หมดอีกแล้วมันก็พักหากินพอมีกินพอมีแรงก็เดินทางต่อก็อถึงวัด่าสูงทั้งนี้ก็เหมือนกับ คนที่ตั้งใจปฏิพันธ์ตั้งอารมณ์ไว้จุดเดียวว่าตายจากชาตินี้เราขอไปนิพพานจุดเดียวอารมณ์แรกชาอ่อนมันก็จะไปเกิดผู้สวรรค์อ้าถึงสวรรค์ไอจิตโรงนั้นมันก็ตกทันจะปฏิพานธานก็หยับไปเป็นพุ่มแล้วก็ปฏิพันธ์นี่เราพูดก็อย่างนี้เรียกว่าความหวังไกลนะ ตอนนี้ต่อไปนี้ในกัปนี้ความหวังพรนิพพานเขอะไรมันใกล้ามากทั้งนี้พ่ออะไรก็ว่าในกัปนี้จะมีพระพุทธเจ้ามาอีกหก อ, องค์ไม่ใช่หมดแค่พระศรีอานถ้าตายจากชาตินี้แล้วไปแล้วพับไปสวรรค์ถ้าจิตตั้งพนิพพานถ้าพบพระศรีอานพระอาจารย์ท่านตรัสเรไปเทวดาหรือพรหมมันมีความเป็นสุข ฟังแค่จบเดกเวท์อลันทันทีแค่นี้เองของไม่ยากใ่ขอทุกคนให้ทรงความดีไว้นะตั้งใจรใกษาความดีไว้สินห้าในอดใจไว้ว่าเราต้องทําได้ยัยคิดว่าเราจะไม่แก่ก็จงนึกถึงตราต่างความจริงว่ไอ้คนที่มาเกิดที่หลังเรามันตายก่อนเรามีบ้างไหมเยอะเห็นไหม เพื่อนเกิดรุ่นราวขาวดีกับเราบนตายก่อนเราไปหลายปีแล้วกว่าเยอะเป็นว่าไอ้เราดีอยู่กี่วันฉันยังไม่แก่ที่จะทำโน่นที่จะทำนี่ทุกยังไม่ตายทำไปเถอสะสร้าสมบัติพานธสัญทำไปมีใครก็ว่าห้ากจนใการู้สิทธิ์ทำ